วันนี้เป็นวันที่ส1มอดมกราคมพุทธศักราช2555ันห้าห้าห้าวันพุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาทราบว่าพระเทพจะเสด็จในอำเภอนนยูงของเราในวันพุ่งนี้นะท่านมาเยี่ยมโรงเรียนตยชอดอสมโรงเรียนโรงเรียน บันห้วยเวียงงามสมประสง์แต่สมประสง์เนี่ยยกให้เป็นโรงเรียนสพทละเข้าโรงเรียนเขตแล้วก็ น, นาชมพูสามโรงเรียนท่านเคยเสด็จมาบ่อยพระเทพเป็นตัวแทนสมเด็จยา่าดูแลทางโรงเรียนตอยะลอความขาดตกบุกพ่องของตยอยฉลอพี่น้องชาวบ้านที่ลำบากท่านออกมาเยี่ยมเยียนนา น, น, าน ปีสองปีขึ้นมาครั้งหนึ่งมาบ่อยอยู่เหมือนกันนะประเทศเจดีอำเภอนายูงอำเภอจุดท้ายปลายแดนของเมืองอุดรนนวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสามตรงกับวันที่ส1มอมกราคมพุทธศักราช2550ห ห้าแต่ทางเดือนทางโลกเขาเพียงสิ้นเดือนหนึ่งแต่นี่เดือนจันทรคติป่าเข้าไปถึงเดือนสามแล้วขึ้นแปดขั้เดือนสามวันพระนาเนเี่ก็เป็นวันเดือนสามเพ็นเนะ่เป็นวันมาฆบูชานะในหลักทางพุทธศาสนาแต่ปีนี้ไม่รู้แปดสรงบทหรือเปล่าหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ดูในรายละเอียด ถ้าไม่แปดสองหลก็คงจะเป็นวันมาฆบูชาละวันพระหน้าเป็นวันพระในทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่พระพุทธองค์ประกาศพระศาสนาครั้งแรกประกาศเข้าเมืองกรุงราชคฤห์ก่อนท่านไปโปรด ะดินสามพี่น้องจากนั้นก็พี่น้องประชาชนจัตทายาญาติโยมในกรุงราชคฤห์ก็รักเคารพเชื่อฟังพระธรรมคําคสอนของร พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เทศที่เขา้ามาในกรุงราชคฤห์ที่โปรดะดินสามพี่น้องแล้วพี่น้องประชาชนได้รับแสงสว่างทางด้านจิตใจถึงสิบเอ็ดน้าด กวันหน้โหดคำนี้ก็คงจะเป็นเป็นแสนแสนคนจากนั้นพี่น้องประชาชนาาศรัทธาญาติโยมตลอดถึงพระสงฆ์ก็มากที่นับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีวันไม่มีวันกำหนดว่าวันไหนที่เป็นวันรวมกันหรือวันฟังธรรมเทศนา หรือเป็นวันที่พวกเราจะารวมกันพบกันปฏิบัติธรรมที่จะได้เป็นพึกแผ่นต่างคนก็ต่างมากระจุยกระจายกันมาเมตเป็นไป่่ำเวลาอีกต่างหากทีนี้กรุงราชคือพระเจ้าพิมพิสารท่า น, นก็ไปกราบพระพุทธเจ้าว่ า, าศาสนาอื่นเขายังมีวันแต่พระพุทธศาสน า, านี่จะกำหนดวันไหนหนอเป็นวันธรมัวรระ เป็นวันปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนพระพุทธเจ้าข้าเนี่ยพระพุทธองค์ก็เออดีพระองค์อะไรบัญญัติให้เป็นวัน8ดค่ำสิห้าค่ำเป็นวันปฏิบัติธรรมคือเจวันมีครั้งหนึ่งพุทธบริษัทมารวมกันมาประชุมพร้อมกันแล้วก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนาตั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น แต่ตามปกติตอนเย็นก็มีพุทธศาสนิกชนมาอยู่แล้วตอนเช้าพระพุทธองค์ก็ไปบินทบาทโปรดญาติโยมแต่ตอนบ่ายก็มีพวกกลุ่มหนึ่งเข้ามาเพื่อฟังพระธรรมเทศนาพพระพุทธเจ้าประสูติขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาในโลกเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อสงเคราะห์โลกโดยตรงเพราะนั้นพุทธบริษัทสี่ผู้ใดเข้ามากราบ มาฟังพระธรรมเทศนาต่างคนก็ต่างได้รับมรรครับผลเป็นพระอริยะบุคคลมากต่อมากแต่ก็ไายตรงข้ามก็ตกนรกก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะฟังพระในครั้งพุทธกาลไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนมีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วนะคนดีก็มากคนชั่วก็มากนะแต่มันยุคของเราเนยะยุคสมัยนั้นคนดี หาได้ง่ายผู้ใดผู้ใดก็มีแต่พระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระอระหรันหาได้ง่ายแต่ยุคสมัยทุกวันนี้หาได้ยากขึ้นเรื่อยๆแต่เปรียบเทียบว่าเขาวัวเขาวัวก็ขนวัวเขาวัวมีกี่เขาวัวตัว น, นั้นมีกี่เขามีสองเขา่าขนวัวมีกี่ขนมีมาก เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้แล้วสมัยนั้นต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคนที่สนใจใ ย, ยธรรมะสนใจเชื่อในบาปบุญคุณโทษเชื่อในบาปเชื่อในบุญเฮ้เชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วว่านารกสวรรค์มีจริงตายแล้วเกิดเหมือนจะเหมือนเขาวัวแต่พวกขนวัวเนี่ยไม่เชื่อเฮ้บางทีก็ยังสงสัย ออกจากสงสัยแล้วไม่เชื่อเนี่ยอันนี้เป็นส่วนมากต่อไปภายภาคหน้าจะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ดั้นได้บอกได้กล่าวได้ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเพราะนั้นพวกเราอย่าแปลกใจว่ายุคนี้สมัยนี้ทำไมคนจึงไม่สนใจไฝธรรมะเพ ร, เ, เพราะอะไรเพราะศรัทธาคือความเชื่อของเขาไม่ได้ค้นคว้า ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังให้เข้าใจมีแต่ ว, ว, ว่าคิดว่าเฉยๆคำว่าคิดว่าเฉยๆคานี้แหละบางทีมันก็คิดผิดบางทีมันก็คิดถูกโดยมากมันคิดผิดซะมากกว่าเป็นมิตรสาธิฐิซะมากกว่าแต่จะคิดถูกนั้นมันน้อยมากอโดยมากมันคิดนะั่นตายแล้วสูงนะเพราะเหตใดเพราะว่าคนตายไปแล้วไม่ไม่เห็นมาบอกนะ เห็นตาละเงียบไปแต่หลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์บอกว่าให้พิสูจ เ, เราตถาคตที่ได้ตัดรู้ที่โครนต้นโพนะวันเดือนหกเพนที่ออกจากเวียงหวางมาค้นคว้าศึกษาเป็นเวลาทั้งหกปีไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบทีแรกก็ทรมานกายซะก่อนอดปักยาอาหารบ้างอดนอนบ้างทำอากับกิริยาเหมือนกับศาสนาอื่นในยุคสมัยนั้นศาสนาอื่นก็ทํายังไงทำหมดทุกอย่างตลอดถึงอดปักยาอาหารทึกสี่สิบ้าวันเราก็อดจากนั้นเราก็อดอดกั้นลมหายใจอีกปิดจมูกปิดปากแล้วก็ปิดหูอีกไม่ให้ลมออก จนสลบก็ไม่ใช่ทางออกมาแล้วปล่อยออกมาแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะมันยังมีอยู่ที่ทรมานกายไม่ใช่จากนั้นท่านจึงทรมานใจตัวนึกคิดจรพอนั่งสมาธิเข้าไปจิตใจรวมพอจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งแล้วนั่นะใจนั่นแหลทะท่านคือตัวผู้รู้คือน้ำมาทมตัวนี้เป็นใหญ่ตัวนี้เป็นส่งออกไปทาง ทางตาไปเห็นสิ่งที่พึงปรารถนาก็พอใจสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็ไม่พอใจเกิดอารมณ์ราคะบัางโทสะบั้งถ้าเห็น เ, เห็นคนที่เป็นที่น่ารักไข่ชอบใจก็เกิดราคะคือความพอใจถ้าเห็นคนที่ไม่พอใจ เ, ออเกิดโทสะขวางหูขวางตาใจส่งไปทางหูได้ยินเสียง เสียงไม่พึงปราถนากบ เ, เสียใจด้วยโมโหโกธาให้แก่เขาถ้าเสียงเนีย่ยเพราะเพราะเสียงร้องรําทําเพลงเสียงยกย่องสรรเสริญตัวเองพอใจนี่แหละอันนี้สรุปแล้วก็คือใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าส่งออกไปทางหูส่งออกไปทางตาส่งออกไปทางจมูกส่งออกไปทางลิ้นส่งออกไปทางกายนี่แหละถ้าว่าส่งไปทางกาย ถ้าไปถูกความร้อนความหนาวก็ไม่พอใจอย่าไปสัมผัสเนี่ยพระพระทุทธเจ้าท่านบอกอตัวนี้หละคือใจเนี่ยะเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ใจตัวนี้ถ้าออกไปในทางที่ถูกต้องมันก็ถูกต้องถ้าออกไปในทางที่ผิดมันก็ผิดเพราะนั่นใจทำยังไงจึงจะชาระใจตัวนี้เนี่ยอย่างนั้นพระองค์จะจับยังไงจึงจะทำจิตใจตัวนี้ให้อยู่ให้สงบให้นิ่งได้จากนั้นพระองค์ก็นั่งสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายอย่างพวกเราเห็นพระประธานหรือพระพุทธรูปนั่งนั่งกัสมาธิพอนั่งสมาธิเสร็จแล้วพระองค์กําหนดลมหายใจเข้าออกตอนน่อท่านไปจิตพระองค์รวมสงบรวมสงบลงเป็นหนึ่งจึงรู้ได้ว่าเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดนี่แหละหลักพิสูจน์ของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ สงสัยเรื่องพระพุทธศาสนาและตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าพายพิสูจน์อย่างนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่เป็นศิษย์ยาวนิจ ท, ที่พวกเราเคารพนับถือในปฏิปทาของท่านที่ท่านปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบคือท่านสำระใจของท่านดูใจของท่านเมื่อท่านนั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วท่านรู้ได้โดยตนเองว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก สิ่งที่ให้เกิดนั่นคือคืออะไรคือนามธรรมคือตัวใจนะตัวนึกคิดตัวผู้รู้่นะตัวนั้นแหละเนี่หลักของพุทธศาสนาหรือ ท, ทำคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญตัวนี้มากกว่าเรื่องของร่างกายเรื่องร่างกายเป็นรูปธรรมตัวนี้เป็นนามธรรมนามธรรมคือมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เรารู้สึกว่าเราคิดนึกคิดเรื่องอะไรตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญ เรานึกคิดเนี่ยคิดดีแล้วคิดชั่วคิดอยากจะได้ของเขาคิดพยาบาทปองไร้เขาคิดจฆ่าเขาคิดโลภางได้ของเขาคิดรักเขาเนี่ยอย่างนี้พอคิดขึ้นมาแล้วท่นเนี่ยส่งไปทางตาและส่งไปทางทางร่างกายถ้ามากกว่านั้นกันนะใช้อะไรใช้เครื่องทุ่นแรงปืนผาหน้าไม้ป่นจี้คดโกงกระสุดแท้แต่เพราะใจของคนนั้น ไม่เป็นธรรมใจคนนั้นเป็นนักเลงใจคนนั้นทำบาปใจคนนั้นคิดไม่ดีใจคนนั้นเป็นใจชั่วนั่นแหละนี่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าใจดวงนี้สมควรจะได้รับการอบรมเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจจะทำยังไงใจจะอบรมได้ท่านก็บอกว่าไม่มีทางอื่นนอกจากนั่งสมาธิกาหนดใจแต่ วิชาอย่างอื่นเราสอนให้สอนกับคือแนแนวแน่แ น, ว, แ น, แนวทางพอแนแนวทางแล้วมันยังทะเลถลายอยู่ยังไม่สแตนดาร์ดเท่านั้นเมันยังดุดยังรุ่ยออกไปอยู่บังคับใดก็บังคับชั่วขาวมันไม่มาตรฐานถ้าว่าจิตใจบังคับให้อยู่ได้คือมาตรฐานคือพระสุดาบันเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นอันนั้นคือเป็นผู้ตายตัวเป็นผู้มั่นคงในระดับหนึ่ง พระโสดาบันคือสินห้าสินของพระโสดาบันไม่มีเจตนาที่จะฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นแม้แต่หน่อยเดียวโดยเจตนาไม่มีเจตนาที่จะขโมยคนอื่นแม้แต่หน่อยเดียวโดยเจตนาจะลาลาบละล่วงสามีภรรยาล่วงเกินภรรยาลูกหลานคนอื่นไม่มีแม้แต่หน่อยเดียวในพระโสดาบันไม่คิดจะโกหกคนอื่นโดยเจตนาแล้วก็ไม่ดื่มน้าเมา โดยเจตนาอันนี้คือพระโสดาบันคือไม่มีเจตนาที่จะทําความชั่วนี่แหละคือพระโสดาบันคือมาตรฐานโดยอัตโนมัติของพระโสดาบันจากนั้นก็ไม่คิดด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมกายกรรมกายกรรมสามวจีกรรมสีมนโนกรรมสามไม่คิดทําความชั่วทั้งกายทั้งวาจาและทางใจนี่แหละอันนี้ก็คือ จวามาตรฐานในระดับหนึ่งคือขั้นต้นของนัหนัหลรรมคำสอนจากนั้นขยับขึ้นไปเรื่อยๆจ น, จนถึงพระจักกทาพระอนาคาจนถึงพระอระหันต์พระรแปลว่าบริสุทธิ์เต็มที่อันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ดูใจกันกลองใจทำใจให้เข้าใจในใจให้เข้าใจในตัวเอง ให้นึกคิดให้เข้าใจในตัวนี่แหละคือเมื่อใจเข้าใจในตัวเองแล้วมันจะไม่ปล่อยออกทางวาจาและไม่ปล่อยออกทางกายนี่แหละในเมื่อเราท่านทั้งหลายคนทั้งหลายพระพุทธองค์ก็บอกว่าเดี๋ยวในี้ใจของเราหลงอะไรหลงกายพูดง่ายๆอย่างนั้นเลยหลงกายว่ากายของเราเนี่ยจะเป็นของมั่นคงจิรังทาวร จะยืนนานเท่านานแต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะร่างกายมันไม่ยืนนานนะเป็นของไม่เที่ยงนะใจนะเนี่ยพระพุทธองค์สอนให้ให้ใจรู้ใจอย่าไปหลงกายได้ใจนะขนาดกายตัวเองเนี่ยมันบอกไม่ได้ใช้ไหมฟังนะอย่าเจ็บอย่าป่วยนะอย่าไข้นะอย่าหิวนะมันก็บอกไม่ได้ในเมื่อร่างกายต้องตนเองยังบอกไม่ได้อยู่แล้วเยจะไปบอกคนอื่น่ะจะบังคับคนอื่น สิ่งอื่นๆให้มาเป็นให้อยู่ในอำนตจของตนเองให้อยู่ในอำนาจของตนเองน้นจะอยู่ได้ยังไงเนีน่ะให้ใจดูใจใขนาดอีกสักวันนึงนะร่างกายนีจะต้องเขาจะต้องเอาไปเผาไฟทิ้งนะใจนะใช่ไหมแต่ส่วนอื่นจะมาเป็นของเราได้ยังไงแต่ขนาดกายตัวเองแท้ยังไม่ใช่ของเราใช่ไหมใจ นเราพูทใเจ้าสรุปแล้วก็คือให้ดูใจให้ถามใจให้รู้แจ้งในใจของตอนเองในเมื่อเรารู้แจ้งในใจของเราแล้วเนี่ยเราจะไม่หลงอย่างอื่นเราอยู่กับโลกวัตะ์สงสารเราก็อยู่ได้เออคล้ายๆเขาว่ารู้เขารู้เราควรทำอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรไม่มีกิเลสโลภโกรธหลงเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นๆจุดนั้น น, นเรื่องนั้นๆเออ เราก็ดูเรารู้เขาด้วยรู้เราด้วยนี่แหละหลักพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ให้ดูใจสรุปแล้วใจเป็นใหญ่เรื่องของใจเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนานๆทีหลวงพ่อจะได้พูดเรื่องของใจให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็คือเป็นแนวศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูนอันไหนไม่สูนอันไหนไม่สูนอันไหนสูน ศูนคือร่างกายร่างกายเป็นศูนแน่ตายแล้วเกิดมาแล้วก่อนนะถึงจุดจบแต่น้ำมะธรรมไม่มีป่าชาหลวงตามหาบัวบอกว่าไม่มีป่าช้านะใจนะใจเนะี่คือนักท่องเที่ยวออกจากร่างนี้ไปเกิดร่างอื่นปฏินสนธิไปร่างอื่นไปเรื่อยแต่ก่อนที่จะไปร่างอื่นนั้นทํากรรมอันไหนไว้ถ้าทํากรรมชั่วกรรมชั่วนั่นแหละจะพาไปทางต่ําถ้าทํากรรมดีกรรมดีจะพาไปทางสูงอ ถาว่าเราทํำความชั่วเกิดมาพบเนืชาตินี้ไม่ได้สนใจเรื่องไฟธรรมะมีแต่ทำความชั่วเสียหายทุกอย่างเรียกว่าความชั่วนั่นคืออะไรคือหลักของพุทธศาสนาคือฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมมุสาดื่มสุราอันนี้แหละคือในชั่วของพระพุทธศาสนาเป็นด่านแรกเป็นด่านแรกก็คือชั่วห้าอย่างจากนั้นกับชั่วไปถึงใจคือแนวความคิดด้วยในเมื่อความชั่ว ถ้าหมดทุกอย่างในกรรมชั่วห้าอย่างเนี่ยฆ่าสัตก็ทำกรโมยทรัพย์ก็ทําประพฤติผิดในการก็ทํากล่าวมุสาโกโหกไครก็ทําดื่มสุราก็ทําอันนี้คนประเภทอย่างนี้แล้วหลักของพระพุทธศาสนาไม่รับรองอไม่รับรองว่าเขาเหล่านั้นจะไปที่ไหนตายไปแล้วไปได้ทุกอย่างตกนรกตามกรรมที่เขากระทาไปเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิชานไปเป็นเป็ด ไปเป็นคนหูหนวกตาบอดไปได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่ากรรมที่เขากระทำนั้นถ้าว่าผู้ใดก็ตามมีศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกา้ามไม่เก่ามุสาไม่ดื่มสุราบุคคลนี้ปิดอบายยภูมิจะไม่ไปทางชั่วจะไม่ตกนรกจะไม่เกิดเป็นสัตติราชาญอย่างที่ว่านั่นคือตรงกันข้ามกันนี่พระพุทธเจ้ารับรอง ผู้ใดก็ตามถ้ามีศีลห้าแนละคือปิดอวัยวภูมิไม่ตกไปในทางที่ชั่วแต่ถ้าว่าใครถล่มไปในทางขาดศีลห้าไปแล้วนะ่ะตกไปฝ่ายต่ำตกไปในอวัยวภูมิไม่รับรองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้ดูตนเองที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้น เ, เราหนักไปทางไหนถ้าหนักไปทางไหนเราควรจะถอนตัวกลับ เมื่อได้ยินทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราควรจะถอนถอยหลังเลยเข้าเกียร์ถอยอย่าไปทําอย่าไปถลําเข้าไปให้เชื่อเอาไว้ถ้าไม่เชื่อเอาไว้ในชาตินี้ก็เติะพวกเราเห็นเห็นกันเลยฆ่าไม่เชื่ อ, ล อ, ล, อลองไปฆ่าคนไปสิแล้วกรรมชั่วจะตามสนองอีกสักวันนึองไปขโมยของเขาคอยสิอีกสักวันหนึ่งกรรมชั่วจะตามสนองในชาตินี้แหละไม่ต้องชาติหน้า อยู่ในคุกอยู่ในตารางนั่นอนะ่ะเพราะอะไรเพราะตัวเองทํากรรมไม่ดีทํากรรมชั่วนะเพราะฉะนั้นกรรมชั่วให้ผลทั้งชาตินี้และชาติต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราได้ฟังได้ศึกษาในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้พวกเราสํารวมระวังถ้าเป็นพระก็เป็นพระที่ดี เ, เป็นโยมที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีอยู่ในสถานะไหนดีทั้งหมดนะ รักษาสถานะของตนเองเอาไว้อย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นพระควรทาอย่างไรมีกฎกติกาอย่างไรควรปฏิบัติอย่างนั้นเป็นขาราชการปฏิบัติตนอย่างไรทำตนอย่างไรในกฎกติกาของขาราชการก็ทำอย่างนั้นเมื่อเป็นฆราวาสญาตโยมก็ทำเป็นตนเป็นคนดีอยู่ในฆราวาสธรรมทำของฆราวาสคุ้มครอง ถ้าอยู่ในสถานะไหนทําดีทุกสถานะพวกเราจะมีแต่ความสุขความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็คือไม่ติดกุ๊ไม่ติดตารางส่วนทางธรรมก็จิตใจก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเชื่อมั่นในตนเองเอพอทําทคุณงามความดีไปแล้วตายไปแล้วจะไปที่ไหนถ้าไม่ไปสู่คุณงามความดีเพราะเราไม่ได้ทําความชัว่วมันจะชั่วได้ยังไงถ้าเราทําความชั่วแล้วจะดีได้ยังไงฮ เพราะนั้นในเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนะถ้าตอนนี้ไปคณนะสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พรรับพร